Book 2 <36. S> 3สามสิหกทจาสต์รเเอจาสต์การขนส่งมวลชนทรานสปอร์ติ ล, ล็อกแกล์พบลิกทรานสปอร์ติ ล, ล็อกแลบลิกป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ KU ë อ h t ë s t a c i อ n i i a u t ต b u s i รถสถานี ë ละ a อทอปุซ a ตรถเมล์ค r นไหนไปกลางเมืองครับที่ลิแอ p อปุซส์ส์คั s นิชเอนเดอร์ที่ลิแอทอปุซส์ส์คันผมต้องไปสายไหนครับทลดูเอ ที่เ ล, ลนล e นีดูเหตุมาหรอผมต้องต่อรถไหมครับค ต, ตัวเเดินโดรอยรบผมต้องต่อรถที่ไหนครับคู่ออตัวเดินโดยรถบัคดดรอ ตัวรถราคาเท่าไหร่ครับ Sa custon nubilet? Sa custon nubilet? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Sa stazione y a n d d e r t i o n e y e n d e r คุณต้องลงรถที่นี่ครับ คุณต้องลงข้างหลังครับออีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับอ อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ v a 1 v อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ a u t o b s i t e t v i e n per s m i t n u t a autobusi t e t v i e n per s m i n u t a รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ k u n i s e t metroja e f u n i t Kunniset metroja e f u n i t รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ คุณนเตีฟุนดิคตคนเตีฟุนดิตรถเมเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคุณนีเซต a u t o ีฟุนดิตคุณนเตีฟุนดิตคุณมีตั๋วรถไหมครับอเค น, นีบิเลตอา ตัวรถหรือไม่มีผมไม่มีตัวรถครับบิเลตยอ้อนนุเย้อนุกรร ม, มงั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับอา ท, ท, ทียร์ตัากวานจบอ ท, ทดูเหตุาวา จ o b บ